ทำไมก็มีทีก็มาทำมารันจริงมา buat ยีวั น, าา <c oughs> นวัดสามวันวัดสามวันนำมาท่องอะไรหนังสือมา มันไม่มีเว well? ลาเนาะก็ยังด yeah. ีกว่าไม่ทำเฉลยอันนี้อยู่ร่อนร่อนที่อยู่เมืองไกลมาเที่ยวเฉยเลยนะอยู่เมืงไทยเมืองไทยดีจังวะชนบุรีชนบุรีโอชนบุรีก็ไปบ่อยรู้ตาก็ไปบ่อย มัน็นเมือวานค่ะหลวงปู่เจ้บ่แดงธรรมชาติสีเมือวานค่ะอยกนอยกับเมวานที่แต่นไทยกขอเที่ยวอากาศนี้ค่ะมามอบความกันไดะ ปานาปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธียมิอัินาธานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธียมิอภัมมจริยาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธียมิมุสาวา เวรามณีสิกขาปังสมาธียมิสุรามรยะมัชฌะปมาตถนาเวรามณีสิกขาปังสมาธียมิวิกาลาโ a ชนาเวรามณีสิกขาปังสมาธียมิ นัจจิกกวัตถะวิสุ a ทัสสะสนมาราคันทะวิริเบนะทานะมานะวิภูสนาฐานะเวระมณีสิกขาประคังสมาธิยม ja ิอุจจายนะมะมสัยย a นะ เวระมานิสิกาปังสัมาทิยามิอัตตะอิมานิอัตสิกาปะธานิสัมาทิยมิอิมานิอัตสิกาปะธานิสัมาทิยมิอิมานิอัตตสิกาปะธานิสัมาทิยมิครับสามั้ <c oughs> สมาธิยามิแปลว่าพระพเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์สินแปดอิมานิอัตตะิขาปะทานิสมาธิยามิสมาธิยามิแปลว่าสมาทานแลว้ว่วนจะรักษาไว้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสองวันสามวันหรือวันหนึ่ง ถ้าหากอุโบสถทศิลป์ก็ส่ว น, น้าต้องมีแต่ได้วันเดียวยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีกิตติ์ธาจะอยู่ที่ละสามวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่พอ <c oughs> สมาทานแล้วก็ต้องไปรักษาไม่ใช่สมาทานแล้วไม่ไปรักษาจากนั่นก็มารักษาศีลไม่เหมือนรักษาสัตว์นะ <c oughs> รักษาสัตว์ตสาราศีก็ยังยากกแต่รักษาศีลของพระเจ้าต้อรักษาที่ใจ งดเว้นจากการที่สมาทานแล้วอมุดว่าปานาก็ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลายุงกัดอย่างประเทศไทยเนี่ยยุ่งมันเยอะส่วนมากก็ไม่่ค่อยมีสติไปตบมันมันกัดจะเก็บกหลบเพ้อเอาหัาวบางคนมีเจตนาตีต่อเข้ามันเข้ า, อ า, อาหัวไปฆ่าสัดวเจตนาฆ่าตัดว์สัตว์ที่มีชีวิต สิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ตัวเล็ก ต, ตัวใหญ่ก็ตามที่เคลื่อนตัวไปได้แปลว่าสัตว์มีชีวิตป <c oughs> ัาอัตนาทรัพย์สมบัติของเขาของเราไม่มีเจตนาได้ไปไม่นึกคิดไปอยากได้ของคนอื่นนี่ส่วนมากคนก็ <c oughs> นึกคิดอยากได้ของคนอื่นก็เลยเกิดความโลภนึกคิดอยากได้ก็ไปเอาของเขา่เป็นบาปถ้าไม่เอาก็ยังเป็น บาปอันดับหนึ่งนะนึกคิดอยากได้เราไปเอาของเขาไปว่าขโมย <c oughs> ปัญาจินาการมเมตามีปัญญาลูกเข า, ามีเขาสามีเราของเขาของเราให้ยินดีถ้าถ้าถ้ า, ถาเป็นข้อรกรมเมตตาอภัมัจจริยาก็ไม่ไปถูกต้องไม่ไปนอนไปจับ <c oughs> สัมผัสเพศตรงกันข้าม ว่าพมจัแปลว่าถือสินพมจันทร์พรมจันทร์คือนักบวชแต่ได้หลายยามพิจุหั่นนี้ก็ว่านักบวชพรมจันทร์กับผู้ถือศินพรมจันท์ผู้ที่งดเว้นจากเพรื่ตรงกันข้า <c oughs> มมุสาไมา้โกหกพกลม <c oughs> สุลาไม่ดื่มเครื่องดองของเหมือนเมา ทุกวันนี่ไม่ได้หยิมเครื่องดองแต่ว่าไปจินจาบ้าบางแห่งพระ ก, ก็ยังมีออกไปดองหรอกแล้วก <c oughs> าา็ยาดองนน่นยาดองนี่ยังมีติดโุลานะตีอะไรเจอะแย่ไปหมดเพราะไม่สังรวมไม่งดไม่เว้นลดเป็นเวรมณีแต่ว่างดเป็นไม่ทําบาปทําเวรต่อไปอีกนี <c oughs> ่กาลโพข้าวน้าโภชนะอาหาร พอเที่ยงแล้วก็งอทเว้นหมายก็ว่าพอลราเช่าเราก็ไม่ได้ว่าสัญเช้าเราหมายก็ว่ายังไม่เที่ยงก็ทานอยู่ตลอดวันก็ไม่ได้นะครั <c oughs> ้งเดียวโดยเฉพาะอาสนะเดียวครั้งเดียวเหมือนพระเจ้าประสง์มาสั่งครั้งเดียวหรือรับประทานครั้งเดียว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหยิบเวลาไหนตั้งแต่ยังไม่ถึง ห้าโมงหกโมงก็เอาจยอย่างนั้นทานอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไเป็นการทำเพื่อประลัมประละฉันประลัมทานประลัมประละทานบ่อยๆจุ๊บจิ๊บจอะไรก็ว่ากันนี่มันก็ไปเป็นนิสัสยแบบทาําโรคไม่มีโอกาสที่จะได้จะปฏิบัติธรรมต่อเนื่องการงดเว้นถือศีลแต่เร า, าตั้งกรจากเพื่อจะปฏิบัติธรรมสังรวมศีลกายวาชาใจให้เรียบร้อยเีย่ว่ารักษาศีล ในใจชีไม่ไปดูเขาฟ้อนลำทำพระโคมเด็กสีตีเปาและตนเองก็ไม่ฟ้อนลองลำทำเพลงมาลาเงินทัวีเลยนี่มันศินแปดสินแปด น, นี่เป็นเก้าข้อนาะนะนี่สองข้อเนี่ยมาพูดรวมกันเฉยๆในใจชีสวัสดิ์ดิาวาิสูขกณัณฑ์ชนมาลางินทัพวีเลย์ถ้าว่าต่อกันไ ป, ไ ป, ไปเป็นข้อเดียวถ้าไปเป็นวร ก, ก็เป็นเก้าข้อสิน นาจจีอตวะธิตาวิทูกรัตนามาลากัรทวิเลปานธารณะมันสองข้อต่อกันความมาลาห้ามบูชาประดับประดาดอกไม้รูปไร้ข้ อ, องหอมสมัยก่อนเป็นยังไงละ่ะเขาดอกไม้ประดับประดาตามขมตำอะไรแล้วก็ไม่ให้ไปบูชาอีกทิ้งพระห้องพระต่างๆไม่ประดับประดาและไม่บูชาอันผิดธรรม <c oughs> ถ้าไปตัดเขาก็ผิดวินัยอีก แต่พระส่วนมากก็ไม่เข้าใจไม่เน้นหนักเรื่องศีลจากให้แต่ญาติโยมเราก็บอกพรุ่งนี้ดอกไม้มาบูชาดอกไม้มาใส่แกกันเต็มไปหมดในห้องที่พระประเทศไทยเต็มไปหมดส่วนมากน้อยนี่บางคนมาเนี่ถ้าถ้าคนมีปัญญาก็มาดูก็ได้ได้ไดความรู้แล้วนั่นเอ๊ะทําไมวัดนี้ไม่เห็นจุดทูกจุดเทียนก็มนไหวพระวันไหนก็ไม่ได้จุดทุกจุดเทียน มีดอกไม้บูชาน่ะมันก็ํานองของพุทธเจ้าภาษาอีสานเมืองไทยทเจ้าทางเวงเหงาไหลมันสิคำเม้าตะพัวบอกกว่ามันจะสาคําท้างแทนที่จะมาวัดตรงมาเลยก็ไปโค้งตรงไหนก็ไม่รู้เที่ยเที่ยวก็เหมือนเราไปเที่ยวหาดอกไม้หาทูบหาเตีย น, หา น, นหานอนหานี่มาจุดมาทำพิธีนั่นแทนที่จะเข้าสมาธิเพิบเพบไม่ได้ทำแล้วไป หาบูชาเท่ทั้งเวิร์ก บ, บัตบรเมอตะพวกรกว่าบัตรนะมันเดินทางโค้งเมื่อไรจะถึงหรออุจาศยะที่นั่งที่นอนยัดด้วยนุ่นและสำลีทุกวันนี้มัดเปลี่ยนเป็นฟองน้ำนุ่มกว่านุ่นกว่าสำลีก็มีได้แต่หนุนหัวอย่างประเทศไทยจะมีใช้หมอนหนุนหัวทางนอน ใส่หมอนยัดไปนุ่นนะใส่นุ่นบ้างสัมดีบ้างอะไรบ้างกแล้วแต่จะหาได้ประเทศไทยมีนุ่นมีผ้ามีอะไรผ้าห่มังจังหวัดเลยหนาวๆเลยค่ายนี่ชมพระเป็นนอนทับเหมก็เป็นบาปอยูแล้วต้องระมัดระวังนี่เป็นนอนทับมันหนาวๆเป็นไปสุ่มสี่สุมห้าถึงมีเกียตนาแล้วไม่เจียรตินามันก็เป็นบาปเหมืหนนอนกันเพราะความเราพังเผอเข้าไปมันก็เป็นบาปอยู่ แต่น้อยมากแตกต่างกันมีเจตนากับไม่มีเจตนาแม้ทั้งโลกก็เหมือนกันนะ <c oughs> นัน่นเราพระเจ้าท่านให้ไปสังรวมระมัดระวงังนี่แล้วก็มารับสินสินสมาธิบาปสมาธิก็พากันทํารื่อเมื่อกี้ใช่ไหมมีศินก็มีสมาธิเมื่อเวลามีสมาธิเราก็เกิดปัญญามีความรอบรู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรเลือดนรกคืออะไรสวรรค์คืออะไร สวรรค์นในอกนรกในใจดูอยู่ที่หัวใจนะสวรรค์นรกในหัวใจเราไม่ใช่เราไปเหาะหานะถ้าเห็นสวรรค์ก็มริพานไม่ต้องไปพูดหรอกถ้าเห็นถึงถึงสวรรค์จะกก่อนถ้าเดินทางถึงสวรรค์เราก็แปลว่าเป็นพรมโลกอีกแม่นานก็ถึงเทวดาโลกพรมโลกสวรรค์มรรคานนะมันใกล้แล้วถ้าถึงสวรรค์ นี่ส่วนมากเราไปวัดมันไม่ได้รู้สวรรค์ไม่ได้ไปทําบุญวิติเอาของไปถวายพระเพราะว่าคําทําบุญทําบุญเลยเป็นข่านิยมทําทานว่าทําบุญน่ะมันก็เป็นการโกโหกตนเองไปในตัวนั่นแหละวันนี้วันพระมาไปทําบุญวันนี้นไปวันพระแล้วมาไปทําบุญสบายเรียกกันไปแล้วไม่ได้ทําบุญก็โ ก, โกโหกตนเองโกหกหมู่พวกอีกแล้วเข้าใจไหม ไปทุบุนก็ไปกราบไปไหว้ทั้งรวมกายได้กราบทั้งรวมบาจายมีนาตะกรารเลยนะพร้อมๆกันแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว่าไปทําบุญทานศีลบุญทานแล้วก็ได้ทําศีกลก็รับแล้วก็บุญก็ได้ทําอีกเมืองไทยหลวงพ่อก็ได้ทําอยู่เหมือนกันนะกับที่นี่ <c oughs> ไม่ต้องไปตีละคงตีสามตีสี่ตีละคงสวดมนต์ไหว้พระหรอกเวลาญาติโยมมาใส่บ่าอย่างนี้แล้ว ตาบรระก็มาใส่ในศาลาทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยให้สินให้พรให้สินให้ทำให้อะไรหมดวินตบาทมาฉันนะ <c oughs> ก็เลิกกันเลยพวกที่ถือสินห้าฉันอยู่ทางนอกทานอยู่ทางนอกให้ฉันอยู่ภายในแต่เพื่อผู้ถือสินแปดเพราะญาติโยมเราไม่ค่อยระวังเึง่องทานกอาหารเรื่องคุยกัน ห้าทั้หลายก็ไม่ฟังหรอกมันสนุกเอะไรก็ไม่รู้นะดุดาวหมูมาเทียบก็ไม่สนใจฮะโวจากไหมเก๊เลียนหมูสมัยก่อนหมูมันล่องอเท่ห์หน้าใสเทห้ามใส่มิดจิลีบัดพระเลี้ยงโคดมาถึงวอกันเพราะเศา้าห้ามตัว ง, งหลยวัดั้งวัห่างใส่ก็ไมเหลือเลยหลวงพอ่อ ไว่าได้ยินแต่ว่าหลวงพ่อก็หายตัวหายจังเดี๋ยวบ่กหายจังเลยเป็นปีเสียงบักเปละเด็กพูดอะไรก็ไม่ได้ยินพูดหูหนึ่งออกหัวหนึ่งมันเป็นยากถูกไหมเระคนเรามันยุ่งยากคือยากแต่คนก็ออกยากแต่คนนี่นะภาษาอีสานพูดอะไรมันต่ําหัวใจมันถึงหัวใจเลยนะมันคก็วอกยากจังมันก็ปากยากถึงมันก็ว้าดูสิเออเนี่ยเนี่ยเรเล่นจึงบนบอก กันอยู่ที่นี่แหละให้พูดน้อยพูดมากสินขาดพูดน้อยพลอยดียิ่งไม่พูดเท่าไหร่นั้นก็สบายใจเพราะเรามีสัจจะแล้วไม่ตั้งใจว่าจะพูดมันจะคิดคุยได้ตรงไหนล่ะหรามป้องกันเพื่องดกันพูดเราก็พูดกับพพูดเจ้าในหัวใจนั่นรู้จกไหมพูดพูดเจ้าอยู่ในที่ไหนพูดพูดเจ้าอยู่ในหัวใจพูดทับหรือว่าพูดรู้ให้ใจของเรารู้รู้บาปรู้บุญรู้สวรรค์รูรก นรกอยู่ที่ไหนร่ลำรวยสวยงามเออคิดถึงเมละ็ดนะยังจะรู้กบว่านรกสวยงามกับล่ำรวยว่ามันเป็นนรกหรือไม่นรกนั่นแหะเมืองนรกกับร่ำรวยกับสวยงามนั่นแหละม้อนรกหม้อใหญ่ใหญ่กับร่ำรวยกับสวยงามอย <c oughs> ากเห็นสวรรค์ก็ดูลมหายใจเข้าออกเะราเมื่อกี้นะฮะแล้วเรารู้ตลอดชีวิตละ่ะตั้งแต่เกิดมาได้ดูกี่วันกี่ครั้งมารวมกันถึงวันหนึ่งไหม พระเจ้าประสงค์กันอยู่ยตลอดเหตุใดจังไปเห็นตาย <c oughs> มันเสียเวลากัรเราบินตาบาดเสียเวลากันดูลมหายใจเข้าออกงอดไม่ไปจิตไม่นิ่งมันวุ่นวายมันเกิดความสบายอะ <c oughs> เกิดกลวงว่ามาว่านอนหยุดหันหยุดนอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ้าให้จิดข้อธรรมหลวลงพอ่อเราไม่ต้องฉันก็ได้แล้ว แต่น่ามัก็คอแล้วแต่ว่าเอาคลอดนี่มันไปคล้องใจอยู่กันที่พุทธเจ้าไม่ให้อดอาหารนะนะอนตจิลามทาทอดนุโยโคลนิโนคัมโมน <c oughs> มันไปทางต่ําคิดไปทางต่ําไปทรมานตัวเองให้ลําบากเพราะเราปลูกต้นไม้ทําไรท่ทํานาได้กินข้าวกับต้นไม้กับข้าวอยู่เราจะไปถางป่าข้าวทิ้มตัดต้นไม้ทิ้มเราจะได้กินอะไรล่ะ ทุยเจ้าให้รักษาเอาไว้รักษาร่างกายก่อนนึ่ให้ดีที่สุดคือพรไม่ผิดพระวินัยแทนที่จะสรรสิบคำเอาห้าสิบเอาห้าคำนั <c oughs> ่นเอาฟ้าลไปทานน้ำก็ไปเยอะพ่อเป็นโรคกระเพาะก็ พ, พ่อแล้วสบายอึดอาดแต่ทินนี่เห็นว่าล่ะการงานดินเด่นหน่อยประเทศไทยงานกะถินงานนานกันนี่หลวงปู่ ทางลงท่านดูอีฉันทางลงทานเต็มไปหมดเลยลงท่านลงท่านทำไรลงท่านทำบุญลงท่านทำบาปชาวบ้านใกล้ๆเห็นเราะเห็หารหอกไม่ลงท่านหรอกถุงก็ใสเท่าเทอาเสียรถใส่เนียกินน้บานแล้วจอยดีดีคนรนคไกินแเ็นว่าเป็นบาปเคำพูดประธานไปบอกหมบอกว่าเอาไปท อาหารจะไหวแช่พระสงฆ์ทำอาหารถวายแช่พระสงฆ์โอ้แต่ยมผลเดืกินไปแล้วเป็นบาปเ่ยนะเป็นบาปเขาจัดที่ให้แล้วก็ไม่คว้า อ, อีกหลวงปู่ไว้มีห้องน้ํานั่งกินแล้วมึงก็หาที่ออกเน้ <c oughs> น่ะห้องน้าำนี่เราก็บอกห้องน้ำโสกโกคลงปู่อีกละไม่มีคนร้างห้องน้ําหลวงปู่ คนที่พูดไม่ใช่คนคนเหรอถ้าคนคนก็ต้องร่างมึงซิไม่จะมาฟ้องพระทาาําไมหรอหาอะไรกูจะให้พระกูแจ้งให้อีก <c oughs> เจ็บอีกแบบเจ็บอีกเจ็บสิ่งเจ็บของโอ๊ยแต่สงสารบางแห่งที่เจ็บเจ็บพวกท่อไปอย่าโยมจึงมีศรัทธาทุกวันเอาหลวงพ่อเอาตาแดงหลงงานเอาจักท่อเอักทอ ขี้เกียจไปถอนกันมาถมทิ้งหมดเห็นไหมหรอหน้าสลดทางเวท <c oughs> ทำบุญบุญก่อให้มันเบาดีนั้นจบแมากรูบาอาจารย์ยิ่งด่าแล้วหลงคออประกาศลงทานเท่านั้นลงทานเท่านี้ลงทานทำบุญเท่านั้นลงท่านี้ลงอลงทานทำบาปบอกพระเจ้าผู้ทรงมาสวดมนต์ไว้พระไม่มีใครขึ้นไปแล้ว ไปว่อนแต่ละปอรงท่าน <c oughs> ยิงพวกไปถือศีลนี่เงเก่งละถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมโนเขาเพล่มึกใหม่ยู่ปุ่นวุ่นวุ่นอยู่ ม, <c oughs> มันขาเผามึกเห็นไหมล่ะมันทู้กิ้เลสไหมละ่ะถ้ามันมีแล้วก็หิวเลยถ้าไม่มีจะเลยเอาก็ชันมัดท่านม า, นมาจากบ้านแล้วก็เรียบร้อยแล้วที บุญกัของเบาไม่ใช่หรือพระก็เบาอีกเช่ด้วยไม่ยุ่งไม่ยากไม่สุขภกในวัดในว่าบางวัดเข้าไม่ได้รถห้องรงทานมันเต็มหมดน่ะกําพูดเไปท้องทรนลงทานทาบุญทาบุญเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นในไปแน่นหนักภาพปฏิบัตินะเวลาน้อยเทสละมาแล้วยังสนอกสนใจมาเห็นว่ามีวัดมีวามาถือศีลแปดอีกเชด้วยนั่นโดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาในเมืองไทย บางวัดในป่าวัดป่าวัดตงงพระกันไปอยู่ปฏิบัติศีลธรรมประจําที่วัดที่บาทโดยเฉพาะปีนี้ยิ่งแห้งยิ่งแล้งนะยิ่งพระกันขี้เกียรตแล้วปีนี้รู้ท่าวพ่าไม่อยู่หรือจิงไม่มีใครเที่ยวเขียนเราโอ้ยตามใจเราไปเอาอะไรเวลาเป็นโลแลง้งตั้งที่ทําไร่ทํานาไม่เหมือนแต่ก่อนจะด้วยเนะมิตรนายหลวงทําให้ห่อมันนี่มันพระไม่ไปรักษาศีลเหรอ ผมยุ่งแต่งไม่ก่อนทําได้ทํานาก็หยุดนะมันศีลมันพระทุกวันนี่ยุ่งอยู่เฉยเฉยก็ยุ่งเห็นไหมเราก็หกไปแล้วพระเจ้าหาศีลหาธรรมมาเพื่อสอนคนต้องเขา้าใจนะยากนะที่จะไม่พบมาพบพระพุทธศ า, าสนาติ <c oughs> ดโฉมมนุษย์สาวตีลาโพการได้เป็นมนุษย์เป็นลาภเป็นประเสริฐติดชังพุทธสมุปปาดังได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่อยู ได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของเจ้าได้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นบุญกุศลยย่างใหญ่แล้วนะนันเป็นของยากคือจะเกิดมาเป็นมนุษย์ษได้พบศาษนาได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติเราอยังยากอีกต่อไปนะยากอะไรล่ะยากถูกทางหรือไม่ถูกทางถ้าพระไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นบุญเดี๋ยวพระก็พาหลงทางอีกล่ะเห็นไหมเราอยู่วัดเราลงไปดูซิสิบวัด ไปทำบุญศักดิสิทวัดโยมมาอะไรมาทำบุญจะค่ะเชิญจุดทูปจุดเทยียนเชิญสรายสังกะทานเชิญตรวจน้ำโยมนั่นบอกทำบุญไมล่ล่ะเอาไปลองดูศักดิสิทวัดนี่นีแต่ยางนี้แหละ <c oughs> น้ำยึดราคาแพงเวลาทำบาปไม่เห็นตรวจน้ำไม่เวลาทำบาปไม่เห็นจุดทูกจุดเทยียนทำไมได้บาป เอาวัดกันเข้าไปพระนี่แหละตัวเก่กงที่ไม่ค่อยสอนด้านโยมให้ทำบุญต้องเสริมจะให้เขาออกน่นมาทานเอานี่มาทานผลสุด ท, ท้ายกิเลสท่วมหัวพระตามจับพระยังจับไม่ได้เยอะแยะกันอยู่เพระเาะฉะนั้นเห็นแน่หนักทาบุญไม่ได้ซื้อบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายกับมีใจเข้าใจไหมใจเป็นนายกายเป็นบา ทําอะไรขี้เกียจทํำอะไรเก็บปวดกายสังขารร่างกายมันไม่เก็บไม่ปวดพวกกิเลสอยู่ในหัวใจมันว่าเก็บว่าปวดอถ้าว่าเก็บปวดจริงทําไมอยู่ในหีบเหรอเวลาคนตายทําไมไม่เห็นว่าเก็บหรอกไปเผาลงไปที่เก็บตรงไหนล่ะอืนั่นเห็นไหมละ่ะ <laughs> ตัวตัวนี้ตัวเป็นหึปห่วงตัวใจตัวนี้อ่ะถ้ายกใจออกจากความเก็บความปวดมันก็ไม่มีคุณเก็บความปวด ดิแน่น้นักพวกถือศีลประจำอยู่นา น, านในนั่งนะอยากเห็นทุกคนได้เห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมนั่นคําของพระเจ้าก็นั่งนิดหน่อยทุกมาแล้วนั่นะโอ้ยฉนนั่งไม่ไ ด, ด้ฉันเจ็บปวดฉันเจ็บปวดไม่มีความกล้าอ่านผู้อยากพ้นอยากเห็นทุกจริงๆอยากพ้นทุกในหนังสือคนพ้นทุกมีหมดแต่นในหนังสือแต่ในหัวใจเรามีไหม เวลาเห็นทุกข์เราทำไมจะพ้นพดดูไม่พ้นรู้เองดูเองมันเกิดเจ็บได้มันต้องหายได้ลองเลยวันนีน <c oughs> ้ถึงสว่างก็รู้กันนะหายหรือไม่หาย <c oughs> มาก็ว่านั่งไม่กระดุกนั่งไม่ลุกหนีไปไหนนะ <c oughs> นั่นแหละ หาด้วยทติปัญญาไม่เห็นก็นั่งสู้สดสดร้อนรอด น, นั่นคำพ่อแม่กูบาดเจา็บไม่มีเสียหายถ้าเข้าทางเวทนาฮะถ้าเข้าทางสมาธิเงียบไปสงบไปเลยบางทีเข้าสมาธิหัวต่อไม่รู้สึกอะไรเลยมันเผลอสติไปแพ็บเดียวมันนิ่งไปแล้วถ้ารู้ไม่รู้ไปไหนแล้วไปนั่นนั่งอยู่เท่าไหร่ก็นั่งได้แต่ไม่มีควงมรู้ใช่ไม่ได้ถ้าเข้าทางเก็บทางปวดนีด่ไม่มีปัญหาเพราะมันรู้อยู่ว่า มันเจ็บนันไม่มีเผอสตินะถ้ามันนิ่งไปเลยลนละเรียก ว, ว่าสมาธิหัวต่อไม่รู้สึกตัว <c oughs> มันมีถึงขั้นตอนจุดนี้มันมีได้หมด <c oughs> มาทานแล้วให้พยายามไปเน้นหนักภาคกษษษติบัติต่างคนต่างอยู่มีเต้นพักไหมละ่ะ <c oughs> บางบางทีบางปีมีเต้นเยอะแยอะอยู่แล้วคนมากลางทิ้งไ้ ในี้มักลางพียงไว้ก็อยู่ในเต้นชามาชมนคนอยุก <c oughs> นี่คนไปคนมาถ้ามีคนเอาเต้นไว้เป็นที่ส่วนกลางก็ยิ่งดีแล้ว <c oughs> ไม่มีกฎแต่ก่อนมีก็มีอยู่ <c oughs> แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างทางี่ดีที่สุดคือกฎ <c oughs> <c oughs> เต้นฟังแต่ชื่อกระพอแล้วนะใจมันเต้นเข้าไปในนั่นมันไม่สงบถ้าเขากดมันสงบ โดยเฉพาะอยู่ป่าอยู่คนเดียวยิ่งสงกง่ายเพราะมันเกิดกลุ่มกลัวละอายเทวดาและเจ้าภูมิเทวดาต้นลุกขโมลเทระดานะลูกศิษยของพระุทธเจ้ามาหานอนภาวนาพุทธเจ้าไม่ได้แต่รู้เพราะการนอ น, นะาด่าลงไปที่ดา่ากิเลสด่าตนเองใครจะไปว่าหรอกไม่ด่าคนอื่นโมโหโท่โศทะเลาะกันดา่ากิเลสของเรา ที่เกลียดทําไมหรอบ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อเขาขนมาให้อะไรอะไรของไข่ของสายทุกทิ่งทุกอย่างหาที่ไหนได้ือพผู้เจ้าหานาให้จังนี้หรอหาให้ปฏิบัติจริยธรรมเพื่อไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายหาที่ไหนได้แล้วะถ้าชิดแล้วเราเอาเปรียบพระกุฎเจ้านะผู้เจ้าหามาแล้วทําไมเราจะรับประทานหรือทําตามคําสัอนของผู้เจ้าแค่นี้ไม่ได้ทานทําไมเข้า หออก้ก็ตอนนป้นโยมปฏไทคือกัน่ะเท่านั้นเพื่อเจ้าบ้ได้ถือศินบ้ได้ไปกินในยังเขาจิไรเป็นในปนห้าแทบรวมแทบตายว่าปาหาให้สอนคนเลยยังว่าเด็กทีเขเป็นคนบานา่านจะน่ะนั่นถ้าไม่ด่าไม่ทําหลอกฉันสบายฉันสบายสนุกสนานมีครอบมีครัว ม, ม, ม, มีบ้านมีช่อง ม, นนมีนุ่นมีนี่ นี่ผลจะได้เวลาเก็บไข่ได้ป่วยเ่าเดือดร้อนหีืคือเกาอยาคือถิ่ตายแต่นอ้ํพุนเห็นบ่บบางถ้าได้ป่วคนรุ่นเรไม่กลัวแล้วเรื่องจะตายเอามันมีนาที่ เ, เกิดแล้วแกจะตายบ่นไปทำไมหรอไอ้ก็ท้องได้นะ เ, เกิดแล้วแกจะตายที่ในใจมันเห็นตามความเป็นจริงไหมเห็นตามคำพูดได้ไหมพูดได้ทําไม่ได้พูดทําไม เยอะๆหนยสวดมนต์เยอะๆสวดมนต์ข้างคืนสวดได้อยู่แต่บ่เห็นได้บ่ถึงจะเรียหนักให้ภาคปฏิบัติย้ำปฏิบัติให้ปฏิบัติให้เห็นให้ดูให้เห็นให้รู้ผู้ดูเห็นเองรู้เองไม่ดูผมก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ดูที่ใจใจไม่นิ่งไม่สงบไม่มีสมาธิแล้วผลสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาแปลว่าไม่เห็นใจไม่เห็นสวรรค์นั่นตอบไม่ได้เรบถ้าเรามีธรรมะ เถียงเกลียดได้เพราะนั้นให้พยายามหาประกันประมาทมอมอเพืดอเพื่อนโดยเฉพาะดินฟ้าอากาศก็ไม่มีฝ้ามีฝนไม่มีหนาวอะไรวุ่นวายอากาศกำลังพอดีพอดีเข้าสมาธิดีดีเราหาที่ไหนได้เรมนาดุงกุศนกเกินเริยมบริบาลเจตีพี่น้องเริ่มสนะมาตกนไวป่านนังสมาธิเจริญเมตตาภาวนาปฏิบัติตามธรรมคสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลตระหนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดสิทธิ์ทั้งหลายเพื่อจงมารวมกันจงปกป้องปกป้กระกาตออกเพจงบุญปณญาพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์จงมีแต่ความสุขความดสุขกายสุขใจเจริญในทำความสั่งสอนของพระเจ้าทำกตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าและจงมีดวงคิดดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอ